ท่าไหนก็ได้นั่งนั่งเรียนอาตมานะไม่ต้องนั่งพับเพียบก็ได้ถ้านั่งพับเพียบ์แล้วเมื่อยเปลี่ยนท่าก็ได้ไม่บังคับคอร์สนี้สบายๆคอร์สไม่ใช่อยู่ที่วัดหรือถึงไปที่วัดอาตมานะก็จะสบายๆไม่บังคับเหมือนกันเพราะว่าการเรียนการเรียนในแง่นี้เนี่ยเรียนด้วยจิตที่สบายๆ ไม่บังคับไม่เคร่งเครียดจิต ท, ที่สบายเนี่ยมันพร้อมจิตเป็นจิต ท, ที่เปิดพร้อมที่จะเรียนรู้เรียนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายบ้างเรียนรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใจบ้างขอบเขตในการเรียนของเรานะคือดูที่กายหรือดูที่ใจสองอย่างเท่านั้นที่ท่านแยกออกามาเป็นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในกายและในใจเท่านั้นไม่ใช่ดูกายคนอื่นด้วย ไม่ใช่ดูใจคนอื่นด้วยดูใจคนอื่นดูง่ายนะคนนี้มีกิเลสเนี่ยเราดูมองออกใช่ไหมคนนี้โกรธแล้วรู้คนนี้หลงไปแล้วเพ้อแล้วรู้แต่เราเพ้อเนี่ยไม่รู้เรากําลังโกรธอยู่เนี่ยมักจะไม่รู้บางทีต้องให้คนอื่นเตือนเรามีราคะแล้วไม่รู้ต้องให้ต้องให้คนอื่นเตือนแต่เป็นผู้ชายก็ต้องให้ผู้หญิงมาหยิกหูนะสังเกตดูว่า สังเกตดูว่าสิ่งที่ท่านให้ดูคือดูดูสิ่งที่เกิดขึ้นในใจขณะนั้นที่เรามีราคะเนี่ยเรามักจะไม่รู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นในใจตอนมีราคะเนี่ยเช่นเช่นอะไรดีดูใครดีไม่มีตัวอย่างเท่าไหร่แล้วอะดูดูดูรูปนี้ ดูรูปนี้แล้วถ้ารู้สึกสวยถ้ารู้สึกสวยนะตอนรู้สึกว่ารูปนี้สวยเนะี่ยตอนนั้นเห็นรูปเห็นรูปนี้สวยไม่เห็นใจว่ามีราคาเกิดขึ้นให้มันชัดกว่านั้นก็คือว่าถ้ามีใครเดินมาสมมติว่าตอนนี้ดาราผู้ชายดังๆที่ใคร น้เดชเหรอน้เดชยังไม่ตอกอีกอะมาเทศมาหลายปีน้าเดชหลายครั้งแล้วเนี่ยสมมติน้าเดชเดินมาเดินเข้ามาอาจารย์ครับแมผมขอเรียนด้วยแล้วมานั่งตรงหน้าพวกเราจะรู้สึกว่าน้าเดชมาใจมาอยู่กับน้เดชแล้วก็ชอบน้าเดชเกิดราคะราคะในที่ไม่แฉกความว่าจะต้องไปไปมีสัมพันธ์ทางเพศอะไรเงี้ยนะคือมีความพอใจลักษณะของราคะคือมีความพอใจมีใจเหนียว ถ้าถ้ามีความรู้สึกว่ามันเหมือ น, นใจมันเหนียวอยู่กับสิ่งสิ่งนั้นตาเนะี่ยไม่อยากจะละจากสิ่งนั้นหูนี่ก็คอยเงี่ยบหูฟังเสียงเขาตาก็อยากจะมองเขาอยู่เรื่อยๆถ้าดมได้ก็จะดมมีใช่ไหมบางคนเนี่ยนักบอลเคยได้ได้ยินข่าวว่านักบอลดังๆมาเมืองไทยนะ่มานอนพักลงแลรมนี่เอาเอาผ้าที่มีกลิ่นเหงื่อของเขาไปเก็บอะไรอย่างเงี้ย จะไปดมต่อเลยเวลาคนเขาคลั่งใครเนี่ยเขาจะคลั่งขนาดนั้นใช่ไหมใจมันจะเหนียวแน่นอยู่กับสิ่งนั้นละไม่ได้มันเหนียวแน่นมันมีเหมือนมียางคอยดึงเอาไว้นี่คือลักษณะของราคะตอนที่มีราคะเนี่ยใจจะอยู่กับสิ่งนั้นเช่นหน้าเดชมาใจเราอยู่อยู่กับหน้าเดชสนใจอยู่กับแค่หน้าเดช ใจที่กาลังสนใจกับน้เดชเนี่ยถ้าเราอยากเป็นสับก็เกว่าใจขณะนั้นมีราคะแต่ใจขณะนั้นเนี่ยรู้แต่น้เดชไม่รู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะฝึกก็คือหันมาดูใจตัวเองว่ามีราคะเกิดขึ้นตอนมีราคะเกิดขึ้นาจะเห็นราคะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งถูกดูอยู่แต่ตอนที่ขาดสติมีราคะเต็มที่เนี่ยคือรู้ว่าน้เดชกําลังนั่งอยู่ตรงไหน น่าเดชกลังเดินมาน่าเดตหล่อจังทำยังไงเดี๋ยวเราจะหาเวลาขอลายเซน็นเขาหน่อยประมาณ่งนี้กำลังคิดอยู่อย่าง น, นั้นนะคือมีราคะถ้ามีสักแวบหนึ่งเกิดฉุกใจขึ้ไม่ได้ว่าเฮ้ยเรามีราคะขณะนั้นขณะที่ฉุกใจได้ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่ามีสติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นในใจตอนรู้ว่ามีราคะเกิดขึ้นในใจเนี่ยไม่มีน่าเดตเกิดขึ้นเลย <laughs> แล้วพอมีราคาเกิดขึ้นในใจแล้วรู้ทันนะนะแวบหนึ่งรู้ตัวขึ้นมานะขณะของความรู้ตัวนั้นก็ดับไปหันไปมองนเดชต่อราคาเกิดขึ้นใหม่นะขอลายเซ็นนเดชนะเดชไม่เอาตอนนี้ไม่ไม่ใช่เวลาลายเซ็นผมจะฟังทำอะไรเล่นตัวจังหุดหงิดหุดหงิดเนะี่ยนะเดชไม่ดีนะเดชเล่นตัว นาเดชเล่นตัวแล้วก็ดูที่นาเดชนาเดชไม่ดีนาเดชเนี่ยทำให้ฉันผิดหวังนาเดชไม่มีมารยาทีนะใจขณะนั้นคือนาเดชไม่ดีแต่ถ้าเรียกเป็นศัพท์ทางพระเรียกว่าขณะนั้นมีโทสะเกิดขึ้นถ้าขณะที่กำลังใจกำลังด่านเดชอยู่เนี่ยด่าด่าไปแล้วเกิดเอะใจขึ้นมาเอะฉันมีโทสะเห็นโทสะเกิดขึ้นในใจขณะนั้นเรียกว่า เกิดสติเห็นโทสะขณะที่มีสติเห็นโทสะไม่เห็นนเดตเห็นแต่โทสะเกิดขึ้นในใจแล้วก็เห็นนเดตต่ออืมเออถ้าชั้นดังขึ้นมาอย่ามาขอเลเซนชั้นนะเงี้ยประมาณนี้เรียกว่าเผลอต่อเผลอไปมีความโกรธต่อขณะที่เผลอนะัคือใจอยู่กับนเดตแล้วก็ใจอยู่กับความคิดที่จะเครียดแค้นอาฆาตขณะนั้นไม่รู้ว่ากําลังมีโทสะเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องทําคือย้อนมาดู สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมักจะสนใจกับโลกรอบข้างแม้แต่สองกระจกใจก็ไหลไปอยู่กับกระจกไม่รู้ตัวเองนะสังเกตไหมเวลาส่องเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาส่องกระจกเนี่ยใจอยู่ที่ตัวหรือใจอยู่ที่กระจกสังเกตไหมเราจะดูเนี่ยนะแล้วก็ใจไปหาไอ้เงาที่เหมือนเรา เอออันนี้ดีโอ้ตรงนี้จกมีเส้นเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตรงนี้โอ้ขี้ตาเกะแคะ์แครไปใจมันจะไปหาตรงนู้นมือคำลังอยู่ตรงนี้ก็จริงนะแต่ใจอยู่ตรงนู้นเวลาดูลมหายใจ mm. เกิดจะภาวนาขึ้นมาจะดูลมหายใจใจก็ไหลไปหาลมจอดจอดอยู่ตรงนี้ก็มีถ้าใครเคยทําดูลมหายใจที่ปลายจมูกมีไหม ใจก็จะมารวมอยู่ที่ปลายจมูกไหลมาจะดูที่ท้องใจก็ไหลไปหาอยู่ที่ท้องใจมันมีการเคลื่อนที่ด้วยนอกจากจะมีกิเลสแล้วนะจะมีการทำงานก็มันด้วยรู้ทันการทำงานก็มันมีการไหลรวมมามีการไหลรวมลงไปเดินจงกรมเวลาเราเดินทั่วทั่วไปเนะี่ยไม่สนใจละเดินแล้วก็มองนู่นมองนี่มองป้ายมองร้านค้ามองถนนมองรถอะไรอย่างเงี้ยนะเดินไปบางที ไม่มองอะไรเลยคุยโทรศัพท์ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยสนใจแต่เรื่องราวเฮ้ยทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิเรื่องที่บริษัทกําลังมีปัญหาอะไรนะทำให้ไม่ทำอย่างนั้นบนไปบนมาเดินตกเดินตกท่อเดินตกฟุตบาทออย่างเงี้ยไม่ได้สนใจคือเราไปสนใจกับเรื่องราว